พระตรยปิฎกเล่นที่สิบสองโกสัมพียสูตรว่าด้วยเรื่องสารานียธรรมและภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นพวกภิกษุในกรุงโกสัมพีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาดกัน ใช้หอบคือปากทิมแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความรองดองกันไม่ปรารถนาความรองดองกันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคจึงมีรับสั่งเรียกภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ได้คำตอบว่าเป็นจริงตามนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันสมัยนั้นเธอทั้งหลายตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในเพื่อนพรมมารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังบ้างหรือไม่ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข้าโมฆบูรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้เธอทั้งหลายรู้อะไรเห็นอะไรจึงต่างบาดหมางทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความรองดองกันไม่ปรารถนาความรองดองกันอยู่ โมคบุรุษทั้งหลายข้อนั้นนั่นแหลจะมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารนิยธรรมหประการสารณิยธรรมคือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน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 และตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนโรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังประการที่สบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทบริโภคร่วมกับเพื่อนโรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังประการที่ห้า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 ข้อนี้หมายถึงธรรมะที่ตัดมูลรากแห่งวัตตะทมนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วนำสัตว์ออกจากวัตตะเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยายานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอ ก, กันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังภิกษุทั้งหลายสารนียธรรมหกประการนี้ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสามาัคคีเป็นอันเดียวกันอิทฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นขฆาศึกเป็นมิยายานิกธรรมนําบุคคลผู้ทําตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะชั้นยอดที่ยึดคุมสารณียธรรมหกประการนี้ไว้พิกสุทธทั้งหลาย ยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่ยึดคุมเรือนยอดแม้ชันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นฆาศึกเป็นนิยายานิกร ร, รมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็ฉั้นนั้นเหมือนกันเป็นธรรมะชั้นยอดที่ยึดคุมสารณียธรมรมหประการน้ไว ทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยายานิกระธรรมเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้อยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสคือกิเลสเป็นเครื่องครอบงำ เรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสนั้นที่เรายัางละไม่ได้ในภายในมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุมีจิตถูกกามราคะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วถ้าภิกษุมีจิตถูกพยาบาลครอบงำ ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วโดยในยะเดียวกันถ้ามีจิตถูกหีนมิทะอุทธจากกุกุ จ, จักและวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วถ้าภิกษุมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกกิเลสครอบงำแล้ว ถ้าภิกษุมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุท ธ, ธานกกิเลสครอบงำแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุบาดหมางกันะลาะวิวาทกันใช้หอกหรือปากทิมแทงกันอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุท ธ, ธานกกิเลสครอบงำแล้วเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เรามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสได้ครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายในมิได้มีเลยเราตั้งจิตไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนี้คื อ, อยานที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งภิกษุนั้นบรรลุแล้ว อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือไม่อริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตน นี่คือยานที่สองที่เป็นอริยะเป็นโล ก, กุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือไม่อริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า เรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้คือยานที่สามที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยะสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใด ถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัตเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตนั้นในสำนักศาสดา หรือเพื่อนพรมจารียที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สมรวมระวังต่อไปเด็กอ่อนที่นอนง่ายมือหรือเท้าถูกฐานไปแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันทีแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏ อริยาสาวกต้องอาบัตเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตนั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนโรมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สมรวมระวังต่อไปอริยาสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้น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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยาสาวกมีความขวนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่กวรธรรมของเพื่อนพรมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตตศิขาและอธิปัญญาศิกขาของอริยาสาวกนั้นมีอยู่ โผแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้าพรางชำเรืองดูลูกใบพรางแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยาสาวกมีความขวนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทาของเพื่อนโรมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศิลศสิกขาอาธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของอริยาสาวกนั้นมีอยู่อริยาสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือยานที่ห้าที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้ว อริยาสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีภละเช่นใดถึงเราก็มีภละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐินั้นเป็นผู้มีภละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีภละอย่างนี้คือเมื่อบรณดิตแสดงธรรมวินัยทิฏถาคตประกาศแล้ว อริยาสาวกนั้นสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยสอดฟังธรรมอริยาสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือยานที่หกที่เป็นอริยเป็นโล ก, กุตตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลาย ซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีภละอย่างนี้คือ เมื่อบรรดิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยาสาวกนั้นได้รู้แจ้งอัตถะได้ความรู้แจ้งธรรมะและได้ความปราโมทย์ในธรรมะอริยาสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คื อ, อยานที่เจ็ดที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกประกอบด้วยธรรมะเจประการนี้ตรวจสอบสภาวะธรรมดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์อย่างนี้อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะเจ็ประการนี้ยอมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิผลนธแล